นั้นพวกเราท่านที่ตั้งใจมาต่อพืชปฏิบัติขอจงตั่งหน้าตั่งตางจะทําบําเพ็ญอย่าไปคิดว่าศาสนามันหมดมรรคหมดผลคนผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นหมกหมดหมรรคหมดผลในตนจึงสงสยัยศาสนามันไม่เสื่อมทำดีในมันไม่เสื่อมคนเสื่อมจากการต่อพืชปฏิบัติถ้าเราคิดอย่างนั้น แล้วก็ต้องปรับปรุงใจใจของเราบังคับเขา้าสูอัดสูทมต่างหน้าต่างตาที่นิดที่เจนาละถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้ากว่าเป็นภัยอันตรายแต่ทำบ ม, มเท็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ไปจะทำให้ไปสู่ความบริสุทธิ์เมื่อทุกคนตั้งมั่นอย่างนั้น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 จิตใจให้เห็นให้เป็นให้ดีให้เด่นเท่านั้นอะไรจะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีการสงสัยในตัวของตัวแล้วเป็นพออยากจะสอนคนอื่นก็สอนได้ไม่อยากสอนงับปากไม่พูดอะไรก็ไม่มีทางเสียหายนี่คือการเห็นการเป็นภายในใจมันเย็นมันสบายทั้งเวลาที่มีชีวิตอยู่ ทั้เวลาที่สิ้นชีวิตไปไม่มีอะไรสงสัยในภพชาติจะกลัวภพก่อชาติอีกอย่างไรนั้นไม่มีอะไรจะสงสัยในจิตในใจของผู้ปฏิบัติเพราะนั้นขอทุกท่านจงนําไปทิ่นิพพาศึกษาตั้งหน้าประพฤปฏิบัติต่อแต่นั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญสารอธิบายธรรมะเห็นแบบพอสมควรเสียแล้วเพรยุติเพีงท่นี้เอ่านั้น สมาสากันาเลยภาวนาในตัว <c oughs> าการตั้งธรรมะทุข <c oughs> ทุกคนก็ได้กระดับฟังกันมา <c oughs> แต่มันก็ไม่อินไม่พอเพราะการปฏิบัติของตัวต้องไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นจริงให้ธรรมะที่กันเนีงยไปสอนไป มันเป็นธรรมะของท่านที่ท่านไปคิศปฏิบัติามารูเห็นอย่างไรท่านคนนี้นำคำสอนเราไปเพื่ออยากจะให้ผู้กรดับรับจังได้รับอาจรับท่านที่ทนรู้ท่านเห็นเรายังรู้ไม่เห็นยังไม่เจนในใจฟังแล้วก็บางทีก็ได้รับผลรับประโยชน์ให้จะขอสงสัยเป็นบางสิ่งบางอย่างสึ่งเราคิดในอ่ในต การแสดงไปเราก็ไปรับวามรู้นสนใจไปมหมายถึงความรู้บางสิ่งบางอย่างที่ฟังใจหรือบางที่านแนะนำสั่งสอนไปจิตใจของเราเอาใจใส่ตั้งใจฟังไม่คิดปรุงยิงเกี่ยวกับเรื่องอืนอ่นจิตใจก็มีทางที่จะสงบหลั่งับให้นี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่ง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 มันลืมมันหลงเวลาพอจิตของเราจิตหาอย่างนั้นมาคุยอย่างนี้มาคุยสนุกหรือกดดูกหอละเอีต่างตเวลาหมไปต่างหลายชั่วโมงก็รู้สึกว่าฌามันถูกทีเล็ของตัวก็เหมือนแต่เดียวเดียวเท่านั้นนานอะไร วใจมันสนุกใจมันชอบใจมันเพลินในสิ่งนั้นแต่ามาดูเวลาแล้วก็หมดไปทั้งหลายสูงวมยนี่คือคนหลงคนเพลินในเรื่องหมาและศพการทําความสงบของใจกาปรปฏิบัติธรรมดีในในทางธรรมะก็มีแนวอันเดียวกันถ้ า, าพวกเราท่านเข้าถึงธรรมะเพลิดเพลินในธรรมะที่เจริาในธรรมะ มันเชิใจอะไรที่คลองใจต่างๆมันหยุบยกขึ้นมาแล้วมันก็เกิดปัญญาตัดอารมณ์ัญญาตัดปัญหาน่นั้นตกไปตกไปหางานใหม่ที่มันเคยติดข้องที่มันเคหลงไหลนามาคินที่ใจน่าอีกอันั้นตกไปหาอันใหม่มาเรื่อยเชิญอยู่ลืมหลับลืมนอน เดินก็ลืมเหียดเลื่อนเนี่อยนีย่หมายถึงสุสีเทมในธรรมะเป็นไปได้มันเห็นสติปัญญาของตัวคือมันเกิดขุาาา่นฟ้าหาป่าปันปัญหาที่เหลือ ต, ต่างๆมันขาดออกไปตกออกไปมันเลยลืมบันเวลาลืมหลับลืมนอนไปนั่งก็ลืมลุกไปพอมันเทม ในการขุณคิดที่ น, ท น, น, นี่พิจารณาทำทางธรรมะทางเหตุอุเทจรือสึงไปในเรื่องวงของธรรมมันเรื่องแบบอุเทจรูปแบบอุเทจรูปแบบธร ร, ร, ร, รมะส่งสิ่งไปในเรือ่องอของอัดของธรรมอะไรสงสัยขวาออกมาที่ น, ท น, น, นี่พิจารณามันตกออกไปขาดออกไปมันก็เลยเชื่ ในความเนความเห็นของตัวนี่ไหมถึงผู้ที่มีจิตเจนธรรมะเกิดปัญญาเ็นวิปัสสนาแต่มันจะถึงขั้นนั้นมันก็ต้ อ, เองเรียนเยียมตัวเชื่อก่อนถงจะั่นปฐมเหมือนเราสีเรียนหนังสือฟอใอ ส, อ ส, อส่คอตาเป็นหนึ่งตนเรียนกันไปกว่จะเกิดปฐ ม, มนัตยมอุดมปริญญานั่นก็ เป็นเวลานานพอควรวมันจะไปได้มีการฝึ ก, กจิตใจที่พวกเรา่านเป็นทุกข์ปฏิ ป, ปทากาทาเปยาคือปฏิบัติยา yeah, ปฏิบัติเป็นทุกข์ู้ ก, กท้ามันก็ทานองนั้นต้องศึกษาไปที่เรน า, าไปเห็นไปรูออ้ไปในความเป็นยิ่ของอัของทำที่เราก็รจะปฏิบัติ มันคือไปทีละนิดเล็กทีละน่อยแต่ในหยุดในถอยมันก็ก้าวไปเด็กใจเหมือนกันอย่างเต่ามันเดิมหยุดในถ้อยมันก็เอาใชะของกระต่ายได้ตร่ายวิ่งเลยตนนอนอยู่ไปเหนืคงได้ใชะเพราะเต่ามันเรนหนาหนาอย่างนั้นกเลยต่อเต่ามันานไปอยู่ ไม่หยุดไมถอนก็เลยถึงก่อนมีการปฏิบัติของวกเราท่านกท่านองเดียวกันท่านปุตตินิสติปัญญาถือว่าการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติเวลาได้ก็ได้อยิบแว่นอะไรเจ็บเ็บตายผาเฉเสียก่อนจึงเวัดเขาว่าปิบปฏิบัติมันง่ายๆปฏิบัติสะกสบายความคิดความเห็นอย่างนั้น มันอาจจะพลาดไปผิดไปเพราชีวิตของเราท่านนั่นเลยมีเครื่องหมายนายการอะไรถึงตามถึงสมัยหรือไม่มันเลยว่าคนนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติศาส น, นาเลยนี้อาจมีทําอะไรคนจะเอาเข้าไว้เงี้ยแค่เพื่ปฏิบัติได้ดอกผลในตานเกิดเช้าก่อนจึงขอยตายไปคนนี้ปฏิบัติพอสมควรแล้วแต่อาคนนี้ไปก่อนมันไม่เดียว่า ความตายในเลือดมากไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่านักเดือดไม่ว่าสารวัระนั้นการปฏิบัติเรื่องจิตใจจเป็นเรื่องสำคัญที่ควรต้ปฏิบัติเอาไว้ถ้าจิตใจไม่มีอัดทำถึงสมบัตเสกของจะมากมายจ่ายกองขนาดไหนก็อาศัยได้เป็นเนื่อมีลมหายใจอยู่ถงนี้ตายไปแล้วไม่มีจิตจิตใจ หาจะเขีนไปได้เพราะสมบัติของโลกจะอยู่กับโลกเร่ยไปเ่การปฏิบัติใจปฏิบัติอัันนั้นมันเป็นสมบัติของเราเราปฏิบัติได้จิตใจของเราสุขจิตใจของเราสบายเมื่อเราตายไปเราก็ไม่ได้เสียใจเพราะงเราทำเอาไว้มันมีอยู่ในจิตในใจของเรา มีแม า, า, าตัวน้อยขนาดไหนเราก็ทราบในจิตในใจของเราตายไปเราจะไปเป็นอะไรเราทราบเพราะจิตใจปัจจุบันบ่งบอกอยู่แล้วมันมีทุกข์มีโทษเดือดร้อนวุ่นวายในสุขไม่สาบายียงเขาค้องเงินทองเพื่อน้องหยาดนิดจะห่อมร้อมอยู่กับตางแต่ความไม่สาบายในจิตในใจมันวุ่นวายเดือดร้อนก่าศก่าศ ในมีอี่เกาะขี่อาใสแบบนั้นนันก็ไม่อยากตายเพราะตายไปในชาติจะต้กงตกสถานที่ใดในเห็นอนาคตของตนว่าจะเป็นอย่างไรคนเพียนใหญ่ที่ร้องให้เสียใจในตานหล่มตายคลองตัวมันเจนแบบนั้นเพราะคิดว่าตายไปแล้วจะไม่มีโอกาสไม่มีเวลา ทบุญมทานนีโอกาสนมีเวลาจะเข้าวัดเข้าวาจยีภาวนาแต่นสืตายแล้วมันถึงจะนกคคิดกันตอนที่มีชีวิตอยู่ธรรมดาอย่างกายพอเป็นไปทำคุณประโยชน์ได้ไม่มดีคิดทำนองนั้นนันมัวเมาเฝ้าฝันเถิดเทิญในเรี่องของโลกเหลื่อยไปพอเจียตายเจียมะลึกได้ มันก็ในทางการทํางสมัยให้ท่านยังให้รีดแต่ทาบ่มเพนเอาไว้สวยงามความดีเดี๋ยวเราทำเอาไว้มัไม่หนีไปไหนมันจะไปจันอยู่ในจิตในใจของเราความตายมันมีเหน้นกันความแก่มันมีเหน้นกันความเจ็บมันมีเหน้นกันเพราะการเจ็บเนี่ยหมาว่าสัตว์หว่ามนุษย์ สิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจธรรมเป็นของจริงประจันธาตันทุกท่านจะต้องประสบพบเห็นโดยตันทั้งนั้นแ่นกนยอมรับความจริงของมันถือว่าเรายังหนุ n ยังน้อยอยู่หรือยังไม่สมควรจะล่มหายป่วยตายไปมันคิดไปทำนองนั้นมันเป็นเห่ง เ, เ, เหียงาตเรื่องขันธ์ ไม่อยาก้อยากตายไปแต่ท่านผู้ปฏิบัติกายใจของท่านท่านไม่เลยหลงไหลปส่ฝันเหมือนพวกเราพร้อมเสมอในการอยู่การไปของท่านไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปไปจากตายอันนี้ถ้าหาเรามีบุญบาลมีเคสะสมเอาไว้ตายอันใหม่ที่เราจะได้ เราก็พอมองเห็นเหมือนกันกับคนสร้างบ้านใหญ่ๆเอาไว้จะจากแต่ชอบไปนั้นมีมีการเสียใจอะไรเพราะกแต่ชอบผิดเราทักเราอาศัยนั่นในสะดวกสบายโถบ้านหลังทางหน้าที่เราจะไปทักหาอาศัยมีท่านที่ยังไม่ถึงวิมุี่สุดนิพพานกต่ท่านมองเดียวกันเพราะสะสมบุญกุศลเอาไว้ตายจากมนุษย์ใปจต่จะเกิดสุ่สบาย ไปเกิดเป้นเทวบุตเทวดายินทรมต่างๆมันทราบมันเข้าใจมันชื่ไเมยเยียใจในการตายไปยิ่งผู้ที่ประพฤติปฏิบัติถึงขีดสุดยิ้มมุดในจิตในใจแล้วนั่นไม่มีทางที่จะสงสัยพบชัดเดี๋ยวทำลายขาดไปจากจิตจากใจไม่มีอะไรที่จะหลงไหล จิตข้องอีกทาดอยู่ในตัวของตัวคือปฏิทินปฏิบัติในส่วนคนอื่นจะเอาใบประกาศนิยบัตรมาติดให้ ก, กับท่านเป็นถ้าโซดาสิขีถ้ า, า, าต า, ตานะถะาท่านตายไปท่านจะไปสว่างสันฟ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องหาใบประกาศจากที่อื่นมันเกิดมันเห็นมันเจนมันรู้จากการปฏริปทินปฏิบัติของตัวมี่อัตธรรมของพระพุทธเจ้า คือแบสันติโกสีโหรสวดมามันเห็นเองโดยการสติปฏิบัติของตัวมันเชื่อพอรู้จักมันโกรธมันโลภมันหลงพอรู้จักมันสงบมันเย็นลงไปแล้วพอรู้จักมันละเอียดขนาดไหนแล้วก็รู้จักมันหยาบขนาดไหนแล้วก็รู้จักแต่เรามีสติตรวจตาที่เจรนาใจแต่การปฏิบัติธรรมะ กนเป็นโอปะณัยโกคือน้อมเข้ามาดูกายดูใจท้องตัวดูภายในท้องตัวว่ามันเชื่อมันดูอย่างไรให้ดูภายในให้ดูดูภายนอกให้ดูภายในนั่นก็เห็นเป็นสัญชิติโกหรือปัจจักลางหีือด้เ่วนใหญ่เราก็ฏิบัติหรือเราเกิดมาเราคอยดูตรวตตั้งเรื่องใจท้องตัวว่ามันเชื่อมันดูอย่างไรคิดไถ่แต่เรื่องอื่น้างนอก หรือว <c ười> ่าเป็นภาระหน้าที่สำคัญยิ่งกว่าใจของตัวไหแล้รักษาใจเอาไว้ว่ามันดีมันชื่ออย่างไรเหตุนั้นใจจึงสะสมเรื่องความชั่วมากขึ้นมากขึ้นทวีคูณขึ้นพับถมจนมองไม่เห็นใจของตัวเองว่ามันเป็นอะไรเพรใจมันเหนื่อยหนาเปรี้ยอวิชากิเลส หากเราหมั่นชำระสะสางอยู่เรื่อยๆใจมันค่อยจะเบาบางไปจะผ่องใสขึ้นนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมะผปฏิบัติธรรมะเห็นธรรมะมีอยู่ในจิตในใจของตัวเชืคเมีแต่เก่ากอนเราก็ได้ละได้ถอนออกไปดีอย่างไรทีพระพุทธเจ้าแนะนำสอนเราก็สะสม เอามาไว้ในจิตในใจของตัวนี่ทำไม่ประมาณเือยามถือโอกาสรักษาจิตรักษาใจของตัวอยู่ตลอดเวลาพอเห็นเลื่องธันมนะะเห็นเรื่องของใจเป็นของมีคุณค่าตราวสูงยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปพอใจสุกใจสงบถึงจะไม่มีเข่าของเงินทอง กว่าต่างไปพักพาอาศัยในมีปราสาทยิมันสติวิหารที่อยู่กว่าต่างพอใจท่านจสงบใจท่านสบายใจท่านเย็นในอดในธรรมแล้วท่านก็สุกท่านก็สงดจง้งข้ากับใจเดือดร้อนใจวุว่นวายใจสิ้งเกินเห่งเกียวกับเหลื่อง ต, างต่าง ถึงไปอยู่ในสถานที่สวยงามหรูหราใหญ่โตขนาดไหนก็ตาใจนั้นแทนที่จะยินดีสุขสบายสงบเย็นมันไม่เป็นไปให้เพราะใจมันมีอารมณ์สันญามีชีวิตปัญหารบกวนอยู่คนเดียวก็เป็นอยู่กับพรรกกบพวกต่างเมืองต่างแข่ง เพราะสัญญามมันมาลกวนะยอยู่ไม่มีหยุดมีถอยมันก็เลยยืงเลยลำบากไม่มีความสงบไม่มีความเย็นแักคนมีอาจมีธรรมในเป็นอย่างนั้นฉะนั้นในสมัยพุทธกาลทาริยะจะทั่วไปทันจิง อยู่ตามป่าตามเขาท่านทั้งๆที่อดอยากยากจนไนว่าอะไรทุกอย่างลําบากอยู่ตามป่าหยุบยาแจ่แกะสาโรคภัยตัหายยากอาหารการขบฉันก็คนบ้านป่าจะไปหาอาหารตอมนี้ดิบดีมาจากที่ไหนก็มีอะไรก็ให้ตามฐานหน้านที่ของเขาที่อยู่ที่อาศัยเราผนังไม้ ท่ตามธรรมการเงินผ้าต่างๆแต่ท่านอาศัยอัดธรรมภายในใจทผ่นจึงอยู่ได้ในห่วงใหญ่ทั้งๆที่บางแผ่นบางองค์ออกมาจากสกูลกษัตว์ออกมาจากสกูลเศรษฐีเคยมีความสุขความสบายในอาณาจ์มาเพียงพอบริบูรณ์เมื่อออกมา จะพิจาปฏิบัติอาธิธรรมรู้เห็นจป็นจริงในจิตในใจเพราะอาธิธรเหนื้อเรื่องอนิ์เนื้อเรื่องของโลกทำจึงอยู่ได้ไม่อย่างนั้นก็ห่วงใหอยู่ไม่ได้ในสุขไม่สบายเหมือนบ้านทรัพของตัวมันจะคิดจะปรุงไปอย่างนั้นเหมือ น, นคิดมาปรุงไปหนะ้ามันก็อยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวจะต้องไปตามอรารมณ์ัญญา ที่เดือดปัญหาของตัวนี่ทํานเลเป็นอย่างนั้นอาหารการผันตพอประทังชีวิตเป็นพอที่อยู่ที่อาศัยในใหญ่โตขอตาแต่สถานที่มันอำนวยความสะดวกสบายให้คือประจิบัดจิตใจมันจะดวกสบายที่เจรนาอาจทำมันง่ายมีกําไรในการอยู่ของท่านท่านจึงมีเทิ ในหลงในตามสั้นยาอารมณ์ที่มาหลอเกลวงอนเกี่ยวยุจิตใจทองทักอารมณ์เสื่อมไปที่เคอจิดข้องอยู่ในจิตในใจที่จะมาละถอนอารมณ์แห่งนั้นไม่จกไปทนปฏิทิปฏิบัติเกี่ยการละถอนอารมณ์สั้นยาที่เหลือปัญหาในสะสมเรื่องอะไรทั้งหมดเมื่อมันสะดวบสบาละไปได้ถอนไปได้ มันก็เหมือนใจจะโรคภัยอยู่ในกาโรคมันหมดไปเทาไรดับไปเท่ารใจะยิ่มีกำลังมีความสุขความสบายสิ่งถนั้นใจของพวกเราท่านขอชะนองเยียวยาโรคภยในโรคที่เหลปัญหามันลบวันใจเราจะมียาขนาดไหนมารักษาใน้โรคภทางใจของเราสงบแล้ว นันไม่มีอะไรอื่นจะเป็นยาวิเศษยิ่งกว่าธรรมะขีพุทธเจ้าทรงสองคือสติปัญญาแล้รู้อยู่ตลอดเวลาเฝ้าดูอยู่ทุกระยะว่าจิตของเรามันคิดมันปรุงอะไรแล้วปัญญาวิจัยวิจารณ์ดูว่าการคิดการนึกในอารมณ์เหมือนนั้น มันเป็นอาจเป็นธรรมหรือมันเป็นอาจธรรมจะ ท, ำทำําความเสื่อเสียมาให้หรือจะนำำําความผิดความะบามาให้ถือมีปัญญาถือมีธรรมจะตั้งวิจัยวิจารอารมณ์สัญญาตัองฐานคือจรขึ้นจากจิตใจท้องตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลานี่คือการรักษาธรรมนะรักษาใจท้องตัวถ้ารักษาได้ใช้ได้ จนไม่มีอะไรที่จะสงสัาายในการละการบำเพ็ญตอนนั้นมันก็หมดปัญหาในชีวิตจะอยู่หรือจะตายก็ไม่ผิดหวังอยู่ไตก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นอีกกว่านี้ตายไปก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปเพราะความกาถนาความสุข มันจะจักในจิตในใจอยู่ไปมันจะเสียงแค่นี้จะอยู่ไปกี่เมื่อีกแฉนปีมันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดมีว่าเกิดขึ้นกว่านี้ตายไปเดียวนี้ขณะนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปแทนที่ไหมีปัญหาในตัวของท่านไม่ได้ห่วงใยอะไรหมดเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนกาลังกําลังหนีกันยังรับทานอยู่ มีคนอื่นหยิบยกอาหารที่เรายังทานในอิ่มออกไปแล้วเสียใจแต่ารายังไม่อิ่มบางทีก็ข่ากันด่ากันเพราะกาลังขดฉันหรือกำลังรับทานอยู่ยังไม่อิ่มเลห ย, ยิบออกไปยกออกไปตขอหน้าตทาทั้งทั้งที่ต่อหน้าต่อตารับทานยังไม่อิ่ม อะไรมันเสียใจถ้ามันอิ่มแล้วเขายกออกไปเขายกไปเทอะอาหามันจะเหลืออยู่แน่ๆขนาดไหนก็ยกออกไปถ้าเราทานอิ่มจนท้องทของไราแล้วเขายกออกไปู่ใจแล้วจะไม่เจ็บในรักษาถ้าเขาไม่ยกออกไปแล้วก็เป็นภาฮะที่จะเจ็บจะรักษา จะลำบากต่อไปนี่าธาตขันของพาะริยเจ้าผู้ปฏิบัติถึงขีสุดมิมุติก็ทำนองเดียวกันาำอยู่ก็เป็นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะปัญจขันธ์ของท่านเกดเรื่องภายในของท่านจริงจังที่จะเกิดทุกข์เกิดโทษนั้นมันไม่มีจะอยู่ในแต่ฐาน ที่ในขาดในขันมันมีทุกคือมันมีหิวนี่เหน็ดนี่เหนื่อยเพราะเรื่องของขันรูปกว่าดีเวทนากวดีสัญญาทั้งขันยืนยานกวดดีมันยังมีอยู่สิ่งเหล่านี้มันยังมีมันไม่ได้หายไปเงื่อสิ่งเหล่านี้มีก็ต้องดูแลรักษาตามหนอกที่ อย่งจรเหล่านี้หมดไปคือหมดลมหายใจต่างคนต่างไปเป็นอนยาตายไปถึงขาดขันท่านเลยมีภาวะอะไรอีกท่านจริงถุกจึงสบาย มีอะไรที่จะเป็นภาระหน้าที่หนีน้อยถึงผูถึง ท, ที่สุดในตามตประพฤติปฏิบัติผันในห่วงใยเหมือนพวกเราถูกไตัว เ, เราห่วงใยแต่ยั่งอยู่ในตายไปก็จะเด็ดพฤติปฏิบัติบางทีอาจจะได้ขันนั้นขันนี้ความคิดในจิตในใจมันปรงไปแบบนั้นมันจะห่วงขาดห่วงขันแต่มันก่อ เราเล็กน้อได้ในเหนือเวลามันป่วยหนกมันจะตายเหนือมันเป็นอยู่ธรรมดาเมื่อมน่อยใส่เสื้อตาที่นี้ที่เจรณารักษาความเป็นอยู่ของเราตั้งเช้าจนเย็นขนาดนี้วันเวลามันหมดไปความดีของใจเรามีอะไรบ้างในวันนี้ที่จะสะสมเอาไว้ในเสื้อตาพิ่เจรณาไหมเหนือมันยังไม่มี รีบเร่งแต่ทาบําเพ็ญให้มันเกิดมันเป็นมันมีขึ้นเพราะไม่มีในธรรมมันก็จะไม่มีอยู่อย่างนั้นถ้ามัมีอะไรหามาใส่ทําให้มันมีมันถึงจะมีได้เพราะวันคืนมัหน็ดคอยไขมันไปตามหนาที่ทของมัน ธาตุขักันองยกันมันในคอยหคนนั้นได้ม้ฟงผมอบรมชิงเอาควดีอะไรจะม่แชร์ในตายมันม่ว่างมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างของธาตุของขันอย่างวันเวลาเวลาวาลีในเคอยไทถูกของข้แต่เราก็อยากไปยึดเอาไว้เราจะในทำอะไรจากใจชีวิต วิเวลามันไ่ให้หมดไปอยาให้มันยังหนุนยังสาวยังเดือดยังเล็กอยู่ต่เมื่อใดก็ได้ผลกไรในการเกิดคืการปฏิบัติพอแล้วมันจะหมดไปกว่าให้มันหมดไปเถอะต่เราจะไม่ได้อะไรนี้ยไม่อยากจะให้หมดไปยังไม่อยากจะให้เมื่อใททตใงานของเราทไ้เ็ มันคิดทนมันแต่ต่อคิดบ้าๆบอๆของเราเองมันไม่เคยฟรงเสียงเรี่องความคิดของเรานักขีดของมันเป็นอย่างไรก็เต็มไปตามหนักขีดของมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงจึงสอนนะฮะพวกเราประมะทว่เสลี่ยนขนขวายแต่ทำคุณงามความดีสิ่งใดที่จะเป็นความดีให้รีบทําเชื่อแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ ในตอนผ่าจะอนะุคเคราะหเยอะก่อนวันนอนวัน น, นี้เจี๊ยบกว่าเดือนนอนจีนี้เจีเ๊ยบกว่าอย่าไปคิดทะนองนั้นถ้าคิดทะนองนั้นมันผิดมันข่าไปได้คนผิดข่าไปในเรื่องเหล่านี้นับไม่ได้เราก็จะเป็นคนผิดเสือเ่อมกิเลสถือกิเลสถือไหมเงาะสอนเป็นศาสดาในถือพระพุทธเจ้ า, าในถือธรรมะ ถือทารียส่งเราจิเหลงเชื่อมันอย่างนั้นเราต้องเตียมตัวของเราเอาไว้อะไรควรได้ควรถึงความเป็นควรใจจะทํำบำเพ็ญให้มันเห็นมันเป็นมันเย็นมันสงบในคนอื่นจะเชื่อเหลือเราได้เหมือนกันกับทานอาหารถึงจะเอาหลังพิมกันอยู่คนทานเท่านั้นจะอิ่ม คนผิดเพีงอยู่นั้นในมีวันเวลาจะยิ่มแต่เขาไม่ทานมีการอยู่ศพครูกับอาจารย์อยู่ในวัดในเวลาในศาสนากับท่านน้องเดียวกันคนที่ทําความเพียรแถานั้นที่จะละชีวิตปัญหาที่จะเห็นถึงสมาธิปัญญาริมุดได้แต่คนมานอนตีพุงกินแล้วชียิตปัญหาจะตกไปผ่านมัง่ายแบบนั้น พระพุทธเจ้าก็เหนสอนธรรมะธรรมโมเหตุไทยไหวมีความเพียรพยายามต่างหนาต่างตาตแล้วเชื่อมำเพ็นดีเสมอสอนเพราะเขามาอยู่ในวัดในร้นานมาอยู่กับครูกับอาจารย์แล้วที่เหลือปัญหามันตกไปหล่ไปหมดไปมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องอา ศ, าศาัยพวกเราท่านผูมาประทศปฏิบัติเลามือกับทาบําเพ็ญกันจริงจัง เพ่จะแจ้ไขขัดไล่จิตใจที่เชื่อเสียอารมณ์ที่เหยื่อยุติ์ต่างๆให้ตกออกไปเมื่อเราตั้งใจจะพึ่งปฏิบัติตามอรรถธรรมทีม่พระพุทธเจ้าสอนไมอ่อจำมนทุกวันทุกเวลาดูจิต ด, ดูใจทั้งตัวอยู่ตลอดเวลาจึงจเชื่อทีเสียเกิดมา ต, าตัดเติมมันออกไปเชื่อมยนกองข้าวพอไหมา ไจ <entscheiden> en uh, e, ้ึงมีความทั่วอยู่เก่าก่อนก็พยายามละถอนออกไปความชื่อใหม่แนเพื่อนเติมมันก็นับวันหมดวันแห้งเรื่อยไปเหมือนการจับน้ำในตุ่มในหอ้เราไม่จะตัดออกมันจะมีวันแห้งเหมือนแม่นในบ่อที่มันมีตาน้ำไหลมาตัดออกแล้วมากก็่าไหลมาเพิ่มอีก ออกมาเพิ่มอีกนั่นมันเป็นแบบหนึ่งหนึ่จิตใจของพวกเราท่านผ่ารักษาอย่างนั้นคือห้ามตั้นอารมณ์ที่เื่อเสียภายนอกนั่เห็นไหมยุ่งเกี่ยวด้วยสติรู้เขา้าใจว่าอารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นมีปัญญาที่นี้พิจารณาสังข์คือตัดออกห้ามตั้งนความเชื่อภายนอก ข้มาในนี้ความเขียวภายในจึงมีอยู่พยายามขนออกปากออกนั่งก็อนห้ก่อหมดเรื่องความชั่วความดีเล่าเรื่อความเั่วหมดออกไปความดีก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ความเห้มันเกิดมันเห็นมันเป็นมันรู้เพราะธรรมนะของพระพุทธเจ้ามันเห็นโมฆะ เป็นของจริงผู้รมผู้บำเพ็ญยอมเห็นยอมรู้ในตัวของตัวในอย่างนั้นศาสนาปลอังไปในยืนยงคง ม, มาถึงขนาดนี้พอเหตุใดเขาฝึกปฏิบัติปฏิบัติไปไม่ได้ในในในคุณค่าสาระอะไรตอบแทนใครเล่าจะมเประปฏิบัติอย่างงไนง เหนื่เป็นอย่างนั้นพูดปฏิปบัติเห็นคุณค่าสาระในการการทํำของศพปฏิบัติไปเห็นผลคือความสุขความสบายความรักความถอนความสงบของจิตเป็นอย่างไรที่พระพุทธเ จ, จา้ากล่าวไว้ว่าเป็นสมาธิท่านก็เห็นก็เป็นในท่านปัญญาที่เกิดเกิดมาจากาจิตจากใจ อรียกว่าภาว น, ะมนามายักปัญญามันก็เกิดขึ้นคุณมาโดยไปศึกษาอะไรเรียงมาจากที่ไหนมันเกิดขึ้นจากใจของท่านที่จะทําบําเพ็ญสงสัยอะไรที่จะนะเข้าใจในสิ่งนั้นเมื่อเข้าใจมันก็ละก็ป่อก็วางในสิ่งหนั้นให้ตกไปไม่ต้ปัญหามาโ่งเกี่ยวกับใจอีกหร บางสิงางอย่างไม่เคเลยขบสันนิษฐาเอาไว้มันก็พุดขึ้นไหบอกขึ้นไมันอยากเป็นอย่างไรในสิงเหมือนนั้นมันบอกขึ้นมาก่อคือมีธรรมในใจมีพุทธะในใจรู้ชงไว้สิ่งามรู้ของใจดีเชื่อต่างต่างแนแน่ทราบทิศระยะไม่ได้เถือ เหมือ น, นคนที่ฝึกใหม่ด้วยคนที่ไหนึกเยเลยโดยมากพวกเรามันทาจิตทาใจเป็นถังขยอะอะไรม า, า, มาก็เก็บเอามดแต่ถังขยะโดยมากมันก็นั่นจะของเน า, งงงาเห ม, ม็นของเสียแม่เคลงใส่ขางทำทำไม่สาดเช็ดพอยส่งฮีรักาค้นข้าเขาอย่งกขึ้นในถังขยะเขาเก็บรักษาเอาไว้ นี่จิตใจของพวกเราท่านกับท่า น, นองเดียวกันธรรมะซึ่งเป็นของมีคุณค่าสาระสูงนั้นไม่ค่อยจะเกิดในจิตใงใจของพวกเราโดยมากมราอยากจะมีสังเกตเหยื่อเชื่อเสียต่างๆอารมณ์สัญญาที่ในหน้าปราถนาะมันเกิดขึ้นมันตกลงแต่จิตมันก็รับเอารับเอา กวนวายเด่นทุกอย่างเ่นทุกอย่าง่เคคิดว่าจะแก้ไขแงจิตใจขลองตัวให้ดีให้ดุนก็บนอยู่อย่างนั้นบนามันทุกข์มันวุ่นวายมันไม่สงบมันไม่สบายเล่าขมาบกอนเรานั่งอยู่คนเดียวในป่าในเขาในที่งิอันอื่นสงบหมด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 มันจะเกิดขึ้นานอย่าไปงวนเรื่องอารมณ์สัญญาสนะพาเราเคยติดตามมาแล้วไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้เรายังจะเลีไหลยังจะบ้าไปตามสัญญาอารมณ์อีกแล้วก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าสาระในใจเราต้องตัดสินใจห้ามจิตใจของเรายอย่างน่เราต้องมั่นในอารมณ์อันใดบริกรรมอยู่นั่น กำเนิดอยู่นั้นมันไม่เถอออกไปตามสัญญาอารมณ์อันอื่นถึงไม่รวมให้เราก็ไม่ได้เสียใจเพราเราไม่ได้เถอโลออกไปสู่อารมณ์ภายนอกคอยที่จะเกิดความเชื่อความเสียอะไรใจไม่ได้คิดในอกุศลธรรมใจจับอยู่ในกุศลของกุศลกระทั่ถึงยันมนถึงพันสงบ เราคงไม่เสียใจให้เราความสงบยังไปเราควรรู้กวรทราว่าความสงบของจิตของใจนี้มันมีคุณค่าสารสูงจริงมันเบามันสบายมันเย็นคนทั่วไปจิตเขาเหลวไหลในโลกก็เพราะเขาไม่เห็นความสงบของจิตอย่างนี้ เพราะจหลงไหลใส่ขันซ้ำถ้าเขาเห็นอย่างนี้ทุกคนใจจะไม่มีการหลงไหลไม่มีการเพิดเทินในเรื่องของโลกเพราะเรื่องเหล่หลานั้น ม, มันเหมือนยาพิษเทียบเหมือนตาทำให้คนหลงคืนลงไปแต่รับทุกรับโทษถ้ามาเห็นความสงบเย็นของจิตอย่างนี้จึงจะทำ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 กิดอีกตาอีกมันก็แค่ที่เราเห็นเราเปลี่ยนไปไมีอะไรที่จะมีจ ก, กว่าพิเศษกว่าก่อนั้นถ้าไมเห็นอาจาเห็นทำมันก็จะหลงท่องเที่ยว อ, อยู่ในวัฏจักเรื่อยไปถ้าเห็นอาจาเห็นทำในใจอย่างนี้มันก็ยินดีที่อยากจะปฏิบัตินี่มันสงบรวมรวมได้ใจมันก็มีกาลังสามารถที่จะที่นี้ที่เจน่ะจินต่าง ปัญหาของใจให้ตกออกไปให้หล่นออกไปให้หลุดออกไปนี่คือการภาวนาชำระกิเลสคือที่มาปฏิบัติมีศรัทธาตัางแน้ามาปฏิบัติกันไม่ใช่ว่าถูกบังคับบังคอถูกกะเจนมาต่างคนต่างมีศรัทธาจะมาปฏิบัติปฏิบัติโยอยากไปผัดบันจากกันพุ่ง ่หน้าต่างตาสำเร็จรักษาจิตใจทงตัวเอาไว้ให้เห็นให้จนให้เย็ น, ใ ห, นให้สงบจึงจะได้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมเห็นธนะรรมจึงจะไม่มีความเฉลียงใส์ลังเลใจในเรื่องทั้งศาสตรแสเน่ไตร ม, มาสผลนิตรทานพระพุทธเจ้ากรณีติตรทานไปนานขนาดนี้แต่ยังมี ในหนอในจิตในใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นเนี่ยเป็นเนื้อรู้เน่มีกามสงสัยเนี่ยแต่ทับใจที่ว่าธรรมะเป็นอาจาริโก้คือเนมีการมีเวลาถ่ายต่างหน้าต่างทตาปฏิบัติรักษาเงี่ยเห็นก็ียโยนเงี่ยสงบอย่างนี้นี่เป็นพยานบอกพยานในตัวของตัวแต่นั้นขอทุกท่าน เงนที่ากหนดรักษาต่างงานปรทีบธรรมะจนมีอยู่ในกาลังกาลังจะเกิดขึ้นมาจากจิตจากใจของตัวเราได้อ่านได้รู้ได้ิเจาได้กำหนดรักษาเราเห็นเราเป็นธรรมะในจิตในใจว่าเรารักษาศาสนาเราบำรุงศาสนาเรา พยุงศาสนาให้เจเริญก้าวหนะ้าถ้าเราไม่เห็นไม่เจนเจริญตนละตำลาได้ไหมขนาดไหนจบเข้าไปที่โดกก็เถรอย่างที่เหลือปัญหามันหัวเราย่ออยูอย่ยตลอดเวลาไม่มีอะไรจะตกหล่นออกไปจากจิตจากใจทั้งตัวแต่นั้นทำนมะดามะ่านปฏิบัติมันจึงมีอยู่ในภายในคืออยู่ในกายในใจเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นจะไปหาที่อื่น หาไอยหลงไม่มีวันเจอให้ดูภายในดูกายดูใจของตัวเหมือนชุกคนทราบว่าธรรมะมีอยู่ภายในขคจงพากันญวนคิดที่เจนะ่ะพาตันรักษาธรรมะเอาไว้่อจากนั้นไปถึงจะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะ ถ, มถึงแบบพอสมควรเสียเวลาขอยุติตเพียงแค่นี้เอวัง